เพราะว่าสิกขานี่รากมันมาจากคำว่าสสกังคำนั้นนะสกังอิคติติสิกขานะมีข้อตามศัพท์ของบาลีสกังอิคติติสิกขาผู้ใดเห็นตนเองผู้นั้นชื่อว่ามีการศึกษาแต่แต่าทางโลกเขายืมศั์นี้ไปใช้แต่มันผิดความหมาย คือคนเห็นมองออกไปข้างนอกอะ่ะศึกษาเท่าไรก็ยังไม่มีการศึกษาศึกษาเท่าไรก็ยิ่งทุกข์ที่มีการศึกษามากก็ยิ่งทุกข์มากเพราะว่ามันศึกษาออกไปนอกตัวเองแต่ในพุทธศาสนานั้นตรงกับคําศัพท์บาลีเลยส ก, กังไปว่าตนเองอีกขาไปว่าเห็นส ก, กังอีกขะดีดีสิขาผู้ได้เห็นตนเองผู้นั้นชื่อว่ามีการศึกษา แม้เขาจะจบดราเตือนศาสตราจารย์ได้เขาไม่เห็นตัวเองก็ถือว่ายังขาดการศึกษาอยู่แต่ผู้ใดก็ตามแม้จะเป็นชาวเลชาวนาธรรมดาถ้านจะเห็นตัวเองบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดเจนตัวเองทุกกลุ่ฟังตัวเองเสมอนั้นก็เรียกว่าเป็นคนมีการศึกษาคือการเห็นตัวเองที่นี้ในการศึกษาในการดับทุกนะ์เนี่ยมันก็จะมีหลักสูตรที่จะใช้คําว่า สติมหาสติประธานสูตรเนี่เป็นหลักสูตรในการศึกษาตัวเองอเราจะใช้สูตรใหญ่ก็คือสูตรหลักก็คือพระสูตรพระวินัยพระสูตรตัณฑ์อิดก็ว่าเป็นหลักสูตรใหญ่สามสูตรแต่หลักสูตรที่ดับทุกโดยเฉพาะเรื่องมหาสติประธานสูตรเพียงสูตรเดียวนะ เพราะนั้นเอง <c oughs> เราก็ต้องมาเข้าใจหลักของหาสติปรฏฐานสูตรให้แจ้งแจ้งชัดเจนเราถึงจะศึกษาได้ถูกเมื่อวานนี้เราว่าในหลักของกายานุปัสสติกายานุปัสนาสติปัฏฐานวันนี้ก็เราก็จะเริ่มต้นที่เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานที่เราสวดไปนะซึ่งในที่เราสวดดูเมันจะซับซ้อนหลายๆมุมซ้าไปซ้า ม, มาว่า สุขังเวทนางเวทิยะมโนสุขังเวทนางเวทิยามีดิประชานาติต่อไปก็เป็นสามิสังสุขังเวทนางเวทิยะมโนสามิสังทุขังสุขังเวทนางเวทิยามีติประชานาติติต่อไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าสรุปแล้วก็มีแค่สามประเด็นคือเมื่อสวยเวทนาเป็นสุขที่เจืออมิร ก็ให้รู้เมื่อสวยสุขเวทนาอันไม่เจืออมิตรก็ให้รู้เมื่อเสวยสุขทุกเวทนาอันไม่เจือทั้งสองอย่างก็ให้รู้ที่เมื่อสวยเวทนาทุกเวทนาทั้งที่เจืออมิตรไม่เจืออมิตรและไม่มีทั้งสองอย่างก็ให้รู้เมื่อสวยเวทนาที่เฉยๆทั้งมีอมิตรไม่มีอมิตรก็ให้รู้สรุปแล้วเป็นเวทนาเก้า ก้าประการเนี่ยให้รู้เท่านั้นเองทีนี้ไอ้เรื่องเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในแง่ของการปฏิบัติธรรมเพราะเวทนาตัวนี้มันเป็นเวทนาหลายๆชั้นแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างขันห้าคือรูปกับสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณเวทนาในขันห้าอันหนึ่ง และเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างการเกิดทุกข์และการดับทุกข์คือเวทนาในปฏิจจสมุปบาทนะแล้วก็เวทนาทั้งที่เป็นทั้งสามประการเชื่อมก็หากันเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นส่วนสำคัญขณนที่นี้จะพูดถึงเวทนาที่เป็นเวทนาในสติปัฏฐาน พอปรากฏหลายแห่งเวทนาในเศรษฐฐานสี่เวทนาในขันห้าเวทนาในปฏิจสุบาทจะมีบทบาทมากนั้นคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็ตกเป็นทาสของเวทนาอยู่นะไม่ได้ตกเป็นทาสของความรู้ในสมัยครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้านำเรื่องนี้มาแสดงเนี่ยก็ปรากฏว่า ภาษาลิบุตรได้บรรลุธรรมเพราะเรื่องของเวทนาอเพราะว่ามีลุงของภาษาลิบุตรชื่อทีคานาคาอธิเวสนาโคตะหลังจากที่ภาษาลิบุตรหนีออกจากบ้านเป็นหนุ่มหนีออกจากบ้านไอหลานหายไปไหนทั้งหลายวันแล้วก็ตามหาตามสิวข่าวหา แต่ลุงคนนี้ทีคานาขานีเาเน่เขาเป็นเขาเป็นเขาอบ้านเราเราียกว่าเป็นหมอธรรมหรือจาารัติคนหนึ่งเหมือนกันว่างั้เถอะเขาเชื่อว่าเวทนาเนี่งเป็นส่วนสำคัญถ้าไปหามาก็ไปได้ข่าวว่าไปอยู่กับพระสมณโคดมก็ตามไปก็ตามไปพบช่วงนั้นป ร, กรากฏพระสารีบุตร จากอุปติสามานุปในบทเป็นภาษาริบุตรเรียบร้อยแล้วได้ชื่อใหม่ภาษาริบุตรชื่อเดิมพระอุปติสามานุปเขาตามไปเจอแล้วก็เลยในช่วงนั้นเป็นหน้ารอ้อนนเป็หน้าร้อนพุทธเจ้ากับภาษาลิบุตรก็สอนธรรมกันอยู่พอดีลุงเข้าไปพอดีที่ ข, า น, า, ขานักข่เนี่ยเข้าไปเขา ไ, ไปถามพพุทธเจ้าว่า นะหลานของข้าพเจ้าเนี่ยได้มาอยู่กับท่านนะท่านเชื่ออย่างไรท่านสามารถที่จะให้เขามาบวชได้เนี่ยตามบทีพิารีบุตรเขาก็ถือเป็นพรามณ์มาก่อนนะภูดิจัก็ย้อนถามแล้วแล้ ว, ลวท่านเนะชื่ออย่างไรเรื่องศาสนาเนะ่ยเชื่ อ, อยังไรสี่ข้านักขก็บอกว่าข้าพเจ้าว่าสิ่งใดที่มันถูกใจนะสิ่งนั้นก็ถือว่าถูกต้อง สิ่งไหนหมายความว่าสิ่งใดที่มันถูกกับความรู้สึกอ่ะความรู้สึกว่าถูกใจความรู้สึกเป็นสุขเนี่ยก็ถือว่าถูกสิส่งไหนที่มันขัดใจทีนั้นก็ถือว่าไม่ถูกหมายความว่าอันไหนที่มันไม่ถูกกับความรู้สึกก็ถือว่าไม่ถูกถกับความจริงนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พระพุทเจ้าถือเป็นหลักปฏิบัติอยู่ว่างัน้นพุทธเจ้าเขาแต่ว่าดูก่อนทีขานักข่ ที่ท่านพูดอย่างนั้นก็ถูกแต่ถูกเพียงครึ่งเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าคาว่าถูกใจและขัดใจเนี่ยมันเป็นความรู้ระดับเวทนามันไม่ใช่ความรู้ระดับตัวปัญญาแต่เราตถาคตแสดงว่าเวทนาก็ยังเป็นชลาธรรมอยู่เวทนาเองก็ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอนิจจมทุกขังอนัตตาอยู่เพราะฉะนั้นเวทนาจึงไม่ใช่ตัวปรมตถธรรม สูงสุดแต่ตัวที่เขาถึงปรมาสูงสุดต้องเป็นตัวปัญญาเพราะคนส่วนใหญ่แล้วเก้าสิบเอร์เซ็นตเชื่อกันอย่างนั้นอันไหนถูกใจอันนั้นถูกต้องอันไหนไม่ถูกใจอันนั้นไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นคนจึงไม่สามารถจะก้าวพ้นไปจากความถูกใจและความขัดใจได้ก็ติดอยู่แค่สองฝั่งเนี่ยอันไหนที่เป็นไปตามความต้องการของตัวเองก็รู้สึกถูกใจก็ถือว่าอันนั้นดี แต่ความจริงบางสิ่งบางอย่างมันไม่ถูกใจมันขัดใจก็ถือว่าอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นความรู้ระดับเวทนาเท่านั้นเองแต่คนส่วนใหญ่ทุกวันก็ยังนับถือศาสนาของที่คานาขาอยู่อันไหนถูกใจแล้วดีหมดอันไหนขัดใจแล้วไม่ใช่แต่คำสอนของพุทธเจ้าส่วนใหญ่ก็เป็นไปทางขัดใจเขาเรียกว่าขัดเกลานะขัดเก้ า, กาจกิเลสที่น้คนก็ไม่ชอบคนก็หนีดิ แล้จับมาขัดเกาวีเลย์แล้วก็ไม่เอาแอืวถ้าถ้าอันไหนถ้าหากว่าได้รับการตอบสนองอย่างถูกใจอ<ม>ก็รู้สึกว่าทํากันนะอย่างสมมุติทําบุญทําทานนี่พระสงฆ์ก็พยายามทําให้โยมถูกใจนะโยมก็ทําบุญทําทานกันถ้าไปวัดไหนถ้าโยมถ้าพระพูดความจริงขัดใจแล้วโยมก็ไม่เข้าวัดนั้นเหมือนกันกนันถือว่าขัดใจนี่ล้วก็ยังนับถือศาสนานี้อยู่นับถือศาสนานที่คณะค่ะ ืเมื่อเป็นอย่างนั้นที่ขะาักขาเขถามย้อนถามพระพุทธเจ้าเอาหลักของท่านเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์เนี่ยมันเป็นตัวสวยเป็นตัวกินจิตคาว่าสวยคือกินใช่ไหมจิตเนี่ยถ้ายังกินอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยก็ถือว่าจิตนั้นยังไม่เป็นอิสระ ก็ยังเสกเสวยอยู่เพราะออนั้นตัวเวทนาสัตว์ว่าเวทนาความรู้สึกจะแปว่าความรู้สึกไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้พิจารณาว่าเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาอนัตตามันเป็นอนัตตาอยู่คือมันไม่อยู่ในอำนาจบัคับบัญชาไม่ได้จิตอันไหนที่ตกอยู่ในอำนาจของอวิชชา อยู่ในอำนาจของเวทนาจิตนั้นก็ควบคุมไม่ได้จิตนั้นก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะมันเป็นอำนาจของเวทนาเพราะเวทนาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกขเ์เป็นหน้าตาดังนั้นแต่สามารถใช้เวทนาให้เป็นเครื่องมือได้เช่นสมมติว่าเรานั่งนา น, านเราปวดขาปวดหลังปวดไหล่เนี่ยเป็นทุกขเวทนาแล้วก็ พิจารณาความรู watering, <Tr representa> <os> <t ots> ้สึกปวดความรู้สึกเมื่อยความรู้สึกที่เป็นทุกขเวทนาในขันนั้นเป็นอาการของทุกเป็นอาการของการเปลี่ยนแปลงเป็นอาการของอนัตตาไม่ใช่เราแต่ถ้าเราไปคิดว่าความปวดนี่เป็นของเราความเมื่อยนี่เป็นของเราความขัดความย่อความอึดอัดเนี่ยความรู้สึกนี่เป็นของเราเราไปเห็นเวทนาเป็นอัตราอันนั้นคือเหตุของทุก แต่เวทนามันอนัตเป็นอนัตตาเมื่อเป็นอนัตตาเราก็ต้องเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงเข้าไปปรับปรุงได้แต่ถ้ามาเราเห็นว่าเป็นอนัตตาเนี่ยเราก็จะไปปรุงแต่งว่าเราเจบอย่างนั้นเราปวดอย่างนี้เมื่อร่างกายในส่วนรูปเนี่ยเป็นทุกขเวทนาเราไปยึดทุกขเวทนาทางกายว่าเป็นอาตามันก็จะลุกลามไปถึงจิตจิตก็จะเกิดความไม่ชอบเกิดความเบื่อหน่าย เช่นเวลานั่งนานๆเราเมื่อยเราเบื่อเราเซงเรารู้สึกไม่สนุกเนี่ยเราก็อยากจะลุกหนีไปแล้วจะไปทํามันเพราะนั้นเราสําคัญว่าเวทนาเป็นอาตาแทนที่จะเราไปเห็นว่าเวทนาเป็นหน้าตาเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขได้เราก็ไปบําบัดถ้าเวทนาทางกายเราก็บําบัดเช่นเวลามันปวดขาเราก็พลิกไปเวลาเราปวดหลังปวดไหลแล้วก็เอ็นแล้วก็เอวแล้ว ก, ก็บิดให้มันแก้ไขไปให้มันบดผ่คลายบรรเทา เวทนาที่มันเข้มเมื่อกี้ก็สามารถที่จะผ่อนเบาลงนั่นเพราะมันเป็นอนัตตาถึงแก้ไขได้แต่ถ้ามันเป็นอัตตาที่จะแก้ไขไม่ได้แต่มันเป็นอนัตตาที่นี้ในส่วนของอเวท น, น, น, น, น, น, น, นาตัวนี้ก็จะถ้าเราบัณฑ์บำบัดไม่ถูกแก้ไขไม่ถูกเวทนาตัวนี้ก็จะก่อให้เกิดสัญญาสังขารวิญญาณ ทำให้ก่อให้เกิดขันต่อไปอีกนะแต่เวทนาตัวนี้เองถ้าเรามีสติไม่รู้เท่าทันเวทนาตัวนี้เวทนาตัวนี้ก็จะเกิดก่อให้เกิดตัณหาอุปาทานชาตดพบชะลาโสกะปริเทวะไปเรื่อยๆ เ, อเพราะฉะนั้นสัพัน์เชื่อมต่อคือตัวเวทนาเนี่ยเป็นตัวสําคัญถ้าสมมติว่าเราได้รับการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ พอรูปเสียงกลิ่นแล้สัมผัสมากระทบปั๊บเนี่ยถ้าสติมารู้ไม่เท่าทันที่การกระทบต่า ง, างๆหูจมูกลิษกายก็ให้มารู้เท่าทันเวทนาถ้ารู้เลยเท่าทันเวทนาปั๊บสติมาตามทันตรงนั้นตัดคัดออกตรงนั้นปับ๊บนะตัวตัณหาก็จะไม่เกิดเพราะสติตามมาทันเสียก่อนนะเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นตัวกลางของปฏิสุบัดนับตั้งแต่อวิชชา สังขารวิญญาณนามาลูกสลายยตนาพัสสะเห็นมมันเป็นตัวกลางพอดีพอต่อจากนั้นก็เป็นตัณหาอุบาทานชาติภพชลาโศกผลิเทวะเวทนาจะเป็นตัวกลางนันที่ตัวแบง่งเส้นแดนระหว่างโลกียะกับโลกุตละถ้าเราจเจริญสติ จนจนรู้จักสติคืออะไรปั๊บเนี่ยเราก็ไปดักทูรที่เวทนาที่เกิดกับจิตเพราะเวทนามันเป็นทั้งกายเวทนาแล้วจิตเวทนาเราตอนแรกเราก็มาแก้ไขกายเวทนาซะก่อนคือความรู้สึกทางกายเช่นเวลาเรานั่งนานๆนนเวลาเราไม่ไม่ปรับเนี่ยเราก็อ่อนล้มง่อนลงก็ก็ทำให้เกิดทุกเวทนาแต่เราค่อยปรับเรื่อยๆคอย a d จ u s t มาเรื่อยๆเยเวทนาโดานก็บอบบางาเพร า, าะเวทนาบอบบาง เวทนาตอนนั้นก็จะไม่ทรมานเราไม่บีบคั้นเราเมื่อเวทนาไม่บีบคั้นเวทนาเราเบาบางจิตเวทนาทางจิตก็ไม่เกิดเพราะเรามีสติมีปัญญาคอยปรับปรุงแก้ไขทุกเวทนาทางกายเรื่อยๆแต่อเมื่อมันเผลอเข้าไปสําคัญเวทนาทางกายเป็นเราปั๊บเราก็ไปตามดูเวทนาทางจิตไม่ให้จิตนั้นสาคัญว่าเวทนานี้เป็นเราเวทนาก็คือเวทนาคือเป็นแต่เพียงความรู้สึกความรู้สึกท่าว่าเป็นทุกเวทนา ก็จะเกิดความรู้สึกไม่ชอบปฏิฆะมุนิธเนี่ยแถวตัวทุกขเวทนาทางกายก็จะไปก่อทุกขเวทนาทางจิตให้เกิดทุกขเวทนาทางจิตเรียกว่าเป็นปฏิฆะจิตแต่ถ้าหากเป็นเวทนาที่เราชอบเช่นนั่งไปแล้วมันสงบมันสงบมันปีติมันโปร่งโลง่งเราก็ไปยึดสุขเวทนาเป็นเราอีกตรงนั้นก็ก่อให้เกิดโลภะ ก็ให้เกิดโลภะแล้วก็ให้เกิดลาคะเพราะฉะนั้นราค้าก็คือมาจากสุขเวทนาคุณก็ไปติดสุขเวทนาลาตัวสุขเวทนาก็ให้เกิดราคะก็ให้เกิดโลภะเห็นไหมก็เกิดกิเลสตรงนั้นทุกขเวทนาก็ให้เกิดโทสะก็ให้เกิดปฏิฆะอัตตก็เกิดตรงนั้นใช่ไหมแต่นี้บางครั้งเนี่ยเราไม่แยกไขในเวทนาเอ้สุขเวทนาก็ไม่ใช่ทุกขเวทนาก็ไม่เชิงเราก็ไม่พิจรารณา เพราะไม่ตัดสินไม่ได้ว่าขณะนี้เราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในขณะนั้นเขาเรียกว่าอาจทุก ข, ขม์ม ส, สุขเวทนาแต่เราก็ไม่แยบคายแม้กระทั่งว่าเป็นอาจทุก ข, ขม ส, สุขเราก็ไม่แยบคายตัวอาจทุก ข, ขม ส, สุขนั้นเป็นเหตุให้เกิดโมหะเห็นไหมวันนั้นกิเลสทั้งาาสามตัวราคะโทสามโมหะเข้ามาจากสุขเวทนาทุกขเวทนาและอาจทุกขมสุขเวทนานั่นเองนี่ถ้าหากเรามีสติสัมปชัญญะแยบคายในในการกำหนดด้วยเวทนาทั้งสามปับเราก็จะไปลดกิเลสทั้งสาตัวโดวยอดัตโนมัติ ไปลดเหตุของราคะหรือโลภะที่กาหนดรู้สุขเวทนาไปลบเหตุของโทสะหรือปฏิฆะไปกําหนดรู้ที่ทุกขเวทนาไปลดเหตุของโมหะก็ไปกําหนดรู้ที่อทุกขมสุขเวทนาเห็นไหมเพราะนั้นตัวเวทนาจึงเป็นสะพานเชื่อมต่อที่ยิ่งใหญ่ลึกซึ้งมากแต่เราเห็นความสําคัญมันน้อยเกินไปก็ทําให้เราไปตัดราคะโทสะโมหะไม่ได้ นั้พอมาเจริญสติปัฏฐานในส่วนที่สองคือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานท่านจึงให้ตามดูนะไม่ให้ก็ไปสําคัญมันหมายตัวรู้สึกสุขทุกข์ว่าเป็นเราไม่ไปสําคัญมันหมายทุกข์ความสุขว่าเป็นเราแต่ให้เห็นว่ามันเป็นความรู้สึกสบายหรือไม่สบายในฐานะว่าเป็นสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนามันเปลี่ยนแปลงจากนั่งตอนแรกๆไม่ปวดไม่เมื่อยสบาย ใช่ไหมอ่าสักพักหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันไปเป็นทุกขังแล้วะพอทุกขังพอทุกเก่าหายไปทุกใหม่เกิดขึ้นมาทุกเก่าดับไปทุกใหม่เกิดขึ้นมาไอ้ความเจ็บปวดอันแรกหายไปเจ็บปวดอันใหม่เกิดขึ้นมาไปนะครับเปลี่ยนมันอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าเราไม่มีสติสัมยา루เท่าทันปับ๊บเราก็ไปสําคัญตัวนี้หนาแน่นขึ้นเรื่อยเรื่อเรื่อรืเลก็ตอกย้ําความคิด <c oughs> เราก็ มาไม่ทันเวทนาที่เป็นตัวให้เกิดตัณหานะเช่นเราเรารู้สึกชอบมันก็เกิดกา ม, มาตัณหาเรารู้สึกอยากจะให้มันอยู่เวทนาอย่างเนี้ยสบายอย่างนี้ให้อยู่อย่างนั้นก็เป็นภาวะตัณหาเรารู้สึกไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนไปก็เป็นวิภาวะตัณหาเห็นไหมเวทนาตัวเดียวที่ชอบไม่ชอบไว้เฉยๆกลายเป็นตัณหาทั้งสามได้อีกเชีนสติมาตามตัวรู้สึก สุขทุกข์ไม่ทันท่านั่นน่ะมันกลายเป็นเวทเมเวทนาตัวนี้ก่อให้เกิดตัณหาแล้วตัณหาตัวนี้สติก็ตามมาตามมาดูเวทันอีกตัณหาตัวนี้ก็ตอกย้ำตอกย้ำความอยากนั้นให้มันเป็นก็กลายเป็นอุบทานตามมาเห็นไหมไอการตอกย้ำความอยากบ่อยๆนั้นกลายเป็นอุบทานและอุบทานตัวนี้มันก็จะนําไปสู่การกระทำเรียกว่ากรรมกรรมตัวนี้ก็ให้เกิดชาติภพนั้นก็ให้เกิดความคิด กายกรกมว่าจีกรรมหนกรรมที่เราทำออกมาเพราะการขับเคี่ยวของความอยากข้างในความอยากข้างในบังคับให้ต้องพูดอย่างนี้ให้ต้องทำอย่างนี้ให้ต้องคิดอย่างนี้ก็จะเป็นชาติเป็นภพถ้าหากว่าในส่วนที่เป็นกรรมดีชาติภพก็จะดีถ้าเป็นกรรมไม่ดีก็ชาติภพก็จะนาไปสู่ดวงเสกรปริเทวะทุกต่อไปเรื่อยๆแต่นั้นเองในตัวเวทนาจึงเป็นเรื่องสาคัญในแงวการปฏิบัติกรรมฐาน แต่เราใช้คาว่าความรู้สึกแต่ความรู้สึกนันมีสองระดับหนึ่งความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกล้ลวนๆความรู้สึกที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจเรียก ว, ว่าความรู้สึกของสติสัมปชัญญะสองความรู้สึกแล้วเข้าไปสวยในความรู้สึกนั้นเราเรียกว่าเวทนาหรือสวยเวทนาแต่ส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกที่เราเข้าไปสวย รู้สึกสบายแล้วก็ไปเสพอู้สึกสงบดีนิ่งสงบแล้วก็ไปติดความสุข น, น, นี่เขเรียกว่าสวยทุขเวทนาเวทนานั้นกลายเป็นกรรมมชันท้าไปหรือบางทีนั่งไปแล้วมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านมันปวดมันเมื่อยมันเบื่อมันเซ็งอยากจะลุกอยากจะหนีอยากจะไปอยากจะเกิดความหงุดหงิดเกิดความขัดใจขึ้นมาลึกๆเป็นทุกขเวทนาเราก็ไปสวยมันอีก แทนที่เราจะเห็นว่าทุกขเวทนาสัตว์่าทุกขเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่เราไปสวยมันมันก็เกิดเป็นโทสะเกิดปฏิฆาบุดหงินไม่สบายใ น, นใจขึ้นมาก็มาจากตัวทุกขเวทนานั้นั้นเวลาเรามาเจริญสติการเคลื่อนไหวเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปเห็นตัว สุขเวทนาทุกเวทนาอะทุก ข, กขมสุขเวทนานั้นเป็นเพียงความรู้สึกที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่มันเป็นเพียงความรู้สึกเจ็บก็เป็นความรู้สึกเจ็บสบายก็เป็นความรู้สึกไม่ใช่เป็นเพียงความรู้สึกไม่ใช่เราให้ตอกย้ำดูอย่างนี้อยู่เสมอเสมอเนี่ยจิตของเราก็จะเห็นเวทนาเนี่ยเห็นว่าเวทนาเนี่ยเป็นเชื่อมต่อรูปกับนามเข้าเรกัน ถ้ารูปกับนามไม่มีเวทนาเป็นตัวเชื่อมต่อรูปก็คงเป็นรูปนามก็คงเป็นนามเข้าถึงกันไม่ได้แต่รูปกับนามนี้ถ้ามีเวทนาเข้าไปเชื่อมต่อถ้าเวทนาตัวนี้เป็นเวทนาของสติสัมปชัญะรูปกับนามก็จะเกิดเป็นตัวปัญญาขึ้นมาในรูปในนามนี้แต่เวทนาตัวนี้ถ้าสติสัมปชัะเข้ามาตามไม่ทันเวทนาตัวนี้ก็จะทําให้เกิด นามมารูปตัวรูปนามเนี่ยสามารถเปลี่ยนใจให้เป็นนามมารูปได้เพราะตัวเวทนากาหนดตัวเวทนาไม่ทันที่ได้กล่าวไปเมื่อวานน่ะนา ม, มารูปก็คือตัวอะไรตัวเหตุเกิดทุกข์ใช่ไหมตัวอัตตาเกิดมาจากตัวนี้เองคือรูปอันนี้ฮะกับนามรูปนามก็คือตัวกายกับใจแต่ถ้าหากว่าเป็นนามรูปก็คือภาพที่เกิดในใจ นามรูปคือภาพสมมุติเราวันเนี้ยจะกลับบ้านคิดถึงบ้านว่าบ้านไปนไงโน่นเนี่ยบ้านหลังวอลุ่มเลยนะปรากฏในภาพมันั้นนั่นเขาเรียกว่านามรูปเห็นเกิดทุกปรากฏหละแต่ถ้าเรารู้เท่าทันอา้าวอันนี้มันความคิ ด, ดนี่นะรู้บ้านหลังนั้นหายไปวุบทันทีเลยเหลือแต่ความรู้สึกในใจล้วนๆการที่เห็นภาพในใจมันดับไปแล้วเห็นแต่ความรู้สึกล้วนๆนั้นเขาเรียกว่าเป็นรูปนามแต่เพอคิดขึ้นมาอีกอา้าว ได้หมาอยู่ที่บ้านไม่มีใครดูมันคงจะร้องว่าใครจะให้กินข้าวมาดนนกักกรรมเตินทึกทึกทึในใจอีกเนะี่ยสติมาทันเข้าไปดูหมาโดนนหายไปใจก็ว่างอีกกลายเป็นสติสัญญาขึ้นมาแทนพอเผื่อพับเอาไปคิดอา่าวนามลูกเกิดขึ้นมาแล้วจิตกลับกลับไปอยู่ที่นู่นทันทีนี่คือบทบาทของเวทนาที่เราตามมันไม่ทันแล้วก็เป็นเหตุเกิดทุกได้ได้ไวที่สุดทีนี้ ถ้าหากการเจริญสติของเราไม่ต่อเนื่องการเจริญปัญญาของเราไม่เข้มแข็งเราจะไม่รู้เท่าทันนามาลูกตัวนั้นและนามาลูกตัวนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่อไปในภพในชาติใดต่างๆมากมายมหาศาลนะทีนี้เมื่อเมื่อเร า, เารู้ว่าเวทนาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่างๆนานาในภพชาติทั้งหลายทั้งปวงกี่หมื่นกี่แสนชาติเวทนามีบทบาทสําคัญเราจะทํำยังไง ก็มีทางเดียวก็ต้องฝึกฝนพัฒน์ูนสติสัมยาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะตัวสติสัมยาตัวนี้มันจะกลายไปเป็นญาณปัญญาที่เขาไปรู้เท่าทันเมื่อเวทนามากระทบกายเมื่อรู้เท่าทันว่าเวทนานะันก็แต่กระจายไปเหลือแต่รูปนามนามมันรูปไม่เกิดตอนแรกมันก็จะเผลออย่างเงี้ยบ่อยเข้าบ่อยเข้าดอสติสัมยาของเราเข็งแข็งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความเผลอก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลง ความเผลอน้อยลงน้อยลงก็เรารู้เท่าทันมากขึ้นเรื่องต่างๆอาศัยเวทนาเป็นตัวนําเข้ามาเท่านั้นหรือสมมุติว่าเวทนานี่มีสามเวทนาเวทนาในอดีตเวทนาที่ปัจจุบันเวทนาในอนาคตอย่างเวทนาในอนาคตเนี่ยเรารู้สึกว่าเอออีกสองสามวันข้างหน้านี้นะเราจะต้องไปงานแต่งงานให้ได้ไม่ไปไม่ได้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเกิด อกระบฏกับความคิดที่ขึ้นมานะเราไม่ไปเฉยเฉยเลยเอาเกณฑมันเฉ่เฉยเลยโอ้โหมันเจ็บปวดมากดเวทนาด้วยใจีบแล้วขนาดหนักนะ <c oughs> เราเราชั่วอํานาจมันไม่ไหวแต่เ้าเกิดการปฏิวัติตัวเองเอามามีมีข้อปฏิบัติตรงนี้บางสิ่งบางอย่างที่จิตอยากจะไปทําสิ่งนั้นามากๆเอามากระบฏ ท, ทันทีเลยนะเรียกว่าหยุดไเฉยเลยว่าเรื่องนั้นสมมติเรื่องนั้นอยากจะไปตรงนั้นโอ้โหไม่อยากจะไปมากเลยไม่ไปมันเฉยเฉยไงไห น, น พอฝึกกระบุดที่นี่บ่อยเขา้าบ่อยเขา้าจิตแล้วเริ่มแข่งไงหรือบางทีอาหารที่ น, นี่โอ้รู้สึกหิวอยากอาหารที่ น, นี่เลยเกินเอ้าวไม่กินมาดื้อๆมันจะเกิดอะไรขึ้นพอบ่อยเขา้าบ่อเขา้าเพราะฉะนั้นคนที่จะปฏิบัติ ท, ทําให้สาเร็จต้องเป็นนักกระบุต่อกิเลสอย่าตามกิเลสทุกเรื่องไม่ได้แต่บางครั้งเนี่ยเจ็บปวดนะแต่ก็ต้องยอมอ่ะ เพื่ออะไรเพื่อเพื่อจะได้สร้างพลังไอาการชนะจิตของเจ้เราแต่ละครั้งนั่นคือการพลังของพลังของจิตมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปตามมันทุกครั้งเนี่ยพลังจิตของเราจะตกเพราะว่ามันได้ตามครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปก็จะตามต่ออีกตามครั้งนี้แล้วต่อไปก็ตามเราก็จะรูดพาเวอร์ไปเรื่อยๆนะดังนั้นเองการปฏิบัติก็คือการปฏิวัติตัวเองไงการปฏิบัติปฏิบัติแปลว่าอะไรปฏิบัติแปลว่าทำกลับ ปฏิเสธว่ากลับนะคือคือมันจะไปข้างบนทางนี้เรากลับมันแชงไหมเรากลับบ่อยๆจิตมันจะไปข้างนนี่กลับมาอยู่กับปัจจุบันใช่มันจะไปอดีตนะอนาคตกลับมาอยู่ปัจจุบันกลับบ่อยเข้าบ่อยเข้าเรียกว่าปฏิบัติเพราะนั่นแปลว่าปฏิบัตินี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องอทําอย่างนี้ตลอดแต่การที่เรากลับใจมาอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆเรียกว่าปฏิบัติอสวดมนต์อยากมันอย่าทํำด้วยความอยากนั่นเถอะ มันอยากจะทํายังไม่ทําให้ได้กลับมาเฉยเฉแต่บางตอนแรกๆแล้วก็กลับในเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนที่เรามีกําลังใช่ไหมเดี๋ยวไปพระมันมีกําลังมันก็จะสามารถกลับเรื่องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งสามารถกลับความร า, าคะไม่ให้มีราคะกลับโทสะไม่ให้ไม่เกิดโทสะกลับโมหะไม่ให้เกิดโมหะกลับของใหญ่ๆได้มากขึ้นมากขึ้นนั้นเรียกว่าทนกระแสเราสามารถทนกระแสจิตของเราได้อย่างนี้ถึง ยีสิบห้าเปเซ็น์ขึ้นไปเราจะตัดได้สามเรื่องหนึ่งเรื่องสักยะทิฏฐิคือเรื่องตามใจตัวเองกรกิเลสอันแรกที่สุดของการที่เข้าถึงมรรคผลเนี่ยต้องหนึ่งต้องตัดเรื่องคือไม่ตามใจตัวเองฉันใช้คําว่าสักยทิฏฐินะหมายความว่าสิ่งไหนที่เราเคยตามใจเราเราไม่ทําตามแล้วจะกินอย่างนี้มันจะนอนชนี้มันจะอยาก ง, งนี้มันจะไปอย่างนี้เราเริ่มไม่ทําตามมัน ร้อยหนึ่งร้อยเรื่องเราทําไม่ทําตามมันสักยี่สิบห้าเรื่องเนี่ยเริ่มมีกําลังแล้วแต่ร้อยหนึ่งเราไม่ทําตามมันสักห้าสิบเรื่องเนี่ยเราก็เริ่มมีกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร้อยหนึ่งเราไม่ทําตามมันแค่เจดสิบเรื่องแปดสิบเรื่องเนี่ยกาลังก็เพิ่มขึ้นนะแต่เรื่องที่ไม่จําเป็นนะเรื่องที่จําเป็นที่มันจะทําให้เกิดความเสียหายเราก็ตามอันนี้ได้เห็นด้วยผลไม่มีปัญหาแต่เรื่องบางเรื่องในชีวิตประจำวันข้างเรื่องที่มันจําเป็นจริงๆเนี่ย ออมาว่ามันมีไม่กี่เรื่องแหละแต่เรื่องที่ไม่จําเป็นอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมแต่มันสร้างเหตุผลให้จําเป็นขึ้นมาและอันนั Un eries, ตอันเล็กซัสรีตอสเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยเรื่องจําเป็นที่จะคิดมีไม่กี่เรื่องหรอกแต่เรื่องไม่จําเป็นที่ที่เราเอามาคิดเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดแต่เราไม่ค่อยกลับมันเท่าไหร่เราก็ตามมันไปตรงนี้การปฏิบัติจึงใช้ตัวเวทน า, าเข้าไปเป็นตัวตัวชีน้นําแล้วเราเข้าตามก็ไปดูมันนะ นี่ก็เรียว่า ป, ปฏิบัติทีนี้ต่อมาเวทนา <c oughs> ในระดับขันห้าเมื่อกี่เราพูดถึงเวทนาในระดับอของปฏิจจสุบาตินะนี่เวทนาในระดับขันห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมในระดับขันห้าเวทนาในระดับปฏิจจสุบัติมันมีสิบสองขบวนการใช่ไหมตั้งแต่วิชามาถึง ต, ตั้งแต่ตัณหาไปถึงชรลาบารณะเวทนาอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเราสร้างสติส บ, บ่อยๆตามมาทันถึงเวทนาไอตัณหาวทานก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติสบ่อยๆมันล่วงล้ำเขี่แดงของเวทนาไปสู่อิจาตัณหาวราน์ก่ำทุก อ, อันนั้นเราไปกำหนดรู้ตรงนั้น บ, บ่อยๆที่ในง่ของขันหนะ้าเวทนาในขันห้ารเกี่ยวข้องกันอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ นะรูปในทีน่นี้มีสองอย่างหนึ่งคืรูปประคันกบรูปประทัดรูปประคันก็คือที่ว่าเมื่อกี้คือภาพที่เกิดขึ้นในใจว่าวันนี้ลูกอยู่ที่บ้านจะเป็นยังไงนาะถ้าเห็นพ่อแม่ไม่กลับมันจะคิดยังไงนาะเนะี่ยแต่ถ้าเกิดแล้วไม่กลับจริงๆก็คิดใหญ่เลยอันนี้ก็เรียกว่ารูปประคันเกิดขึ้นในใจรูปประคันกับนมามวาลูปเนี่ยอันเดียวกัน แต่อีกรูปที่เราเห็นเนี่ยรู ป, ปราธาตุนะธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟผมขนเล็บฝันหนังตัวเราทนโทเนี่ยเขาเรียกรู ป, ปราธาตุไม่ใช่รู ป, ปรขันเพราะฉะนั้นคําว่าขันห้าให้เข้าใจว่าขันห้าไม่ใช่ตัวนี้นะขันห้าคือตัวนามรูปที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยแต่นี้เป็นรู ป, ปราธาตุดินน้ําลมไฟทีนี้ตัวขันห้าตัวนี้เมื่อเกิดภาพขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับภาพสไลด์นะจิ้มขึ้นมาหน้าจอใช่ไหม ยังไม่มีแอคชั่นทั้งนั้นยังไม่มีเป็นภาพเคยเห็นภาพสไลด์เนอะปุ๊บพูดมาเป็นภาพนิ่งๆเนี่ยนี่เขาเรียกมีแต่รูปขันแต่เมื่อไหร่มันเกิดแอคชั่นขึ้นมานั้นมีเวทนาขันละถ้าแอคชั่นอันนั้นยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะมันแอคเฉยๆนะก็คือเวทนาแต่เท่าไรมันสร้างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาออันนี้ผู้อาการอย่างนี้ยิ้มหัว อะไรต่างเนี่ยเรื่มเป็นสัญญาสังขารเหมือนจิตของเราเหมือนกันจิตของเรามันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยสร้างภาพขึ้นมาเป็นรูปประคันแะคิดถึงเพื่อนภาพเพื่อนปรากฏมันยังไม่มูฟนะเป็นเป็นภาพเฉยๆนั่นก็เรียกรูปประคันยังไม่เกิดเหตุหละแต่พอใดเราไปคบเออเพื่อนว่ายัางไงจะไปไหนกันวันนี้คุยกับเพื่อนในใจอ่ะนะเป็นเวทนาสัญญาสังขารไวมากเลยเราไม่มีทางจะตามทันตรงนั้นเพราะนั้นขันห้าเนี่ย ถ้าหากว่าสติเรายังไม่ถึงที่สุดแล้วตามไม่ทันนะเพราะมันเป็นกระบวนการที่ธรรมชาติมากนะเข้าไปแต่ขันห้าตัวนี้ถ้าประกอบด้วยสติสัมมัญญะและปัญญาขันห้าตัวนี้ก็จะเหลือแค่ขันสามเคยได้ยินไหมศีลขันสมาธิขันปัญญาขันเหลือแค่นั้นขันห้าจะเหลือแค่สามขันทันทีเลย เพราะสติสมิญะมาทันจะเหลือเป็นสิ่งสมิปัญญาแต่ถ้าหากสติสมิญญามาทันขันห้าก็จะกลายเป็นอวิชชาขันตันหาขันอุปทานขันใช่ไหมแล้วก็กรรมขันนะโดยเฉพาะอุปทานขันเน้นมากนะอุปทานนักขันโทที่เราส่วนนั้นนะเวทานุปทานนักขันโทสัญญุปทานนักขันโทสังคารุปทานนัก็ันโวิญญาณุปทานนักขัโตัวอุปทานขันเท่านั้นมีบทบาทที่จะทําให้ขันห้าเนี่เป็นทุกข์นะ ทีนี้ถ้าหากว่าเลยเจริญสติมากเข้ามาคันเราก็จะเหลือแค่สองขันจากสามขันเหลือแค่สองขันคือขันอะไรรูปขันกันนามขันนะตอนแรกที่มันไปรับใช้ทั้งความคิดเนี่ยก็เป็นขันห้าเยอะรูปเวทนาสัญญาสังขารมิยานขันแต่พอมีสติสัญญาเข้าไปตามทันเหลือแค่สามขันคือสินขันสมที่ขันปัญญาขันแต่พอบรรลุถึงสูงสุดแล้วเหลือแค่สองขันคือรูปขันกันนามขัน ลูกก็คงเป็นลูกนามก็เป็นน้ำไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันทั้งลูกก็ไม่ทะลุถึงน้ำเรื่องนามก็ไม่ทะลุถึงรูปความทุกของลูกก็ไม่ทะลุถึงใจความทุกของใจก็ไม่ทะลุถึงลูกก็มีตัวสติสัญญาเเป็นเป็นบาขั้นการตัวสินขันสมาธิขันปัญญาขันนะเขาเรื่องนาำมาขันทีหนึ่งนี่เราจะเห็นว่าเวทนาเนื้อหมันโครงสร้างมันใหญ่มากถ้าหากเราเข้าใจนะการปฏิบัติของเราจะก้าวหน้ามากเมื่อพุทธิย่าสนทนาธรรมอย่างนี้กับท่าน ทีขานะคะสองคนอย่างงี้นะพระสาราีบุตรซึ้ทนทะําหน้าที่แต่ น, นั้นท่านยังไม่บรรลุธรรมนะเพิ่งบวชได้สิบสิ บ, ส, บ, ส, บ, ส, บสิบห้าวันท่านแก่ถวายงานพัดของพุทธเจ้าข้างหลังนั่นนะเป็นหน้าร้อนนะนะก็ปรากฏอาแวะขึ้นมาในใจเลยฮนะบรรลุธรรมรวดเดียวเป็นพระอรหันต์เลยแต่ว่าทีขานะคะผู้ที่เป็นลุงมาสุนทรธรรมได้เป็นพระสวดาบันเพราะนั้นเวทนาตรงนั้นใช้สื่อว่าเวทนาปริหาสูตร คนสามารถเห็นบรรลุธรรมสองท่านภาษาลิบุตรที่ถวายงานพระทั้งหลังบรรลุธรรมเป็นพระราหันแต่ที่ขานขาผู้เป็นรุงบรรลุเป็นพระโสดาบันใช่ไหมไะอะไรต่างโสดาบานันอ๋อเอาพูดไปหลายครั้งแล้วนะโสดาบันก็หนึ่งวิกิเนี่ยที่พูดถึงวีหนึ่งอย่าทำใจอะไรตามใจตัวเองคือสกตยะทิฏฐิสรัดความตามใจตัวเองให้ได้คุณสุ บ, บททัติหนึ่งนะ สอ ง, อ ไ, มสงส ไ, มสไม่สงสัยเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยเรื่องการบรรลุธรรมไม่สงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานเรียกว่าพอพูดถึงเรื่องนี้มไม่สงสัยเลยว่าเนี่ยเป็นของแน่นอนมีจริงนี้คือเราไม่สงสัยเรื่องภพเรื่องชาติไม่สงสัยเรื่องจิตวิญญาณไม่สงสัยเรื่องการเกิดใหม่การเกิดเกิดหลังตายเนี่ไม่สงสัยนี่คืออันที่สองคือไม่สงสัยในเพราะด้วยอะไร คุณสมบัติที่สองของพระสุนทภัุมัติที่สามคือไม่หลงงมงายในสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหลายสิ่งที่เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ไม่มีอํานาจเหนือจิของเราอีกแล้วนะสิ่งไหนจะมาวิเศษจะดุกขามลามมาเทบจะวิเศษยังไงก็ไม่มีอํานาจเหนือใจเราอีกแล้วหมายความไม่เอาวัตถุเป็นที่ตั้งของความดีแต่เอาตัวที่เป็นสติสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งของความดีทั้งหลายทั้งปวง พระรุนนั้นหลวงพ่อรุ่นนี้อันนั้นวิเศษอย่างนี้อริสักศิษยานี้ไม่อยู่ในหัวใจแล้วนี่พระโสดาบันจะมีคุณสมบัติสามอย่างหนึ่งไม่ทําอะไรตามใจตัวเองต่อไปอย่างเด็กขายแต่ทําตามธรรมะสองไม่ลังเลสงสัยในเรื่องของภพชาติการเกิดใหม่และพระรัฒนาใจสามไม่หลงงมงายและไม่ความสําคัญในเรื่องวัตถุอีกต่อไปนะ วัตถุทั้งหลายในบ้านในเมืองของเราเนี่ยไม่มีสินหท่มี อ, อ๋ออันนี้เรียกว่าสินห้ามันสมบูรณ์มาตั้งแต่ ก, ก่อนนั้นแล้วนะสินห้าเขาว่าสินห้าก็คือเอาคุณภาพของมันนะไม่ใช่ว่าปานาติบาตาอธินาอันนั้นเป็สินห้าข้างนอกมากเป็นวัฒนธรรมแต่สินห้าที่เป็นปรามัตคือรักษาใจให้หนึ่งที่มาได้กล่าวไปว่าก่อนคุณนลักษณะของหินมีเกียร์อันนั้นก็คือสินห้าแท้เขาก็จึงเอาเขาว่าสินเนี่ยมาเป็นศิลาคือเป็นหิน คุณสมบัติของหินมีกี่อย่างหนึ่งเย็นเยือกเย็นสองมั่นคงสามหนักแน่นสี่ไม่วันไหวห้าเป็นไงอันที่ห้าห้าเยือกเย็นหนักแน่นมั่นคงไม่หวไม่วันไหวแล้วก็ ไม่แตกแยกหินอะใช่ไหมมันไม่เหมือนทรายทรายมันแยกเป็นก้อนไม่แบ่งแยกจิตเป็นหนึ่งเดียวเสมอจิตเหมือมนก็เป็นหนึ่งเดียวเสมอถ้าจิตมีลักษณะคุณลักษณะทั้งห้าเรียก ว, ว่ามีศีลห้าโดยปรมัจิตเมื่อคนมีลักษณะทั้งห้านี้ไปฆ่าสัตว์รักษาพระพุทธเป็ระดมเป็นรรมัา ไ, ไม่ให้เป็นอยู่แล้วอย่าว่าแต่ศีลห้าแม้แต่ศีลสองร้อยี่บเจ็ดก็ยังรักษาได้เลยแต่ต้องมีพื้นฐานของศีลห้าขอ้อนี้ท่านจึงยืมคําว่าศีลานี่ยมาแทนเขาว่าศีลยัง ว่าคำว่าศีละเดินั่นแปลว่าหินใช่ไหมคุณลักษณะคําหินห้าประการชั้นใดคนที่มีศีลก็จิตของคณมีศีลก็จะมีคุณลักษณะห้าประการชั้นนั้นนะแต่อีกอย่างหนึงคำว่าโสดาบันเนี่แปลว่าคนรู้จักกระแสกายกระแสใจของตัวเองโสดาถึงไม้ว่ากระแสว่าวันนี้กระแสจิตเป็นยังไงวันนี้กระแสกายเป็นยังไงคนที่รู้จักกระแสจิตกระแสใจของตัวเองได้ยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต คือหมายความว่าจิตมันจะเล่นรอบไปไหนก็กลับมาสู่กระแสนี้เสมอกระแสของความรู้สึกตัวมีความกระแสความรู้สึกตัวมันคงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตสามารถจิตจะไปไหนก็ตามาสามารถดึงดูดจิตนั้นกลับมาอยู่ปัจจุบันได้ไม่นานเกินไปอย่างน้อยใช้สติระลึกคนที่มีสติพระสวดบาลที่มีสติเค่เพราะระสวดบาลเขาแบ่งเป็นสมระดับหนึ่งเมื่อจิตออกไประลึกได้ทันทีเรียกวเอกพีสี สองเมื่อจิตออกไปแล้วนึกถึงสองสามครั้งมันถึงจะกลับมาเรียกว่ากูหลังโกละอ่าสามจิตออกไปแล้วพยายามนึกถึงเจ็ดครั้งมันถึงจะมาฮะศูนย์บาลชั้นต่ําสุดเรียกว่าสตัก e ขัดุปรมาเอกพีชีกูหลังกละสตักตัดุปนมาเพราะศูรย์บาลทั้งแบ่งเป็นสามขั้นหมายความไงคท่านออกไปว่าสองสามหนเจ็ดหนจะหมายความว่าบางคนเนี่ยพอจิตคิดออกไปแป๊บเดียวลึกได้ทันทีจิตกลับมาเลย <ม>อ่าคิดไปแล้วพอจิตออกปั๊บรู้สึกทันทีเอาจิตออกไปดึงกลับมาทันทีนี่คืประสบอวันชั้นหนึง่งอ่านี่จิตออกไปแล้วพยายามคิดมันก็ยังออกไปอีกพยายามคิดก็ยังไปแล้วตั้งใจทั้งสองามทีมันถึงจะกลับมาแล้คนที่ได้ความอืบริสุทธิ์จิตเป็นโซลาร์ฟันชั้นสามเนี่ยจะอินฟลูตัวเองเป็นชั้นสองชั้นหนึ่งได้นะอ๋อต้องผ่านชั้นหนึ่งก่อน จากชั้นสามชั้นสามนี่คือชั้นต่ําสุดนะคือเจ็ดครั้งอ่ะพยายามเรื่องนั้นจึงม่คิดถึงลูกนะจิตมันกังวลถึงลูกลูกไปเป็นอะไรนาะคิดทีอ้าเราคิดไปแล้วน่ะเอาไป๊บอดีคิดไปพยายามถึงเจ็ครั้งจิดถึงได้กลับมานี่ชั้นอ่อนสุดส่วนบางชั้นอ่อนสุดคือบางทีคิดถึงสามีภรรยาเอ๊เขาทําอะไรอยู่นะหมอได้โชว์ไปทํางานหรือเปล่านาะวันนี้อ้าวเรคิดไปแล้วนี่ะพยายามนึกถึงสองสาครั้งมันนึกจะกลับมาอันนี้เขาเรียกว่าโกหลังโกละ เพอแวะอ้าวมริโชอยู่อ้าวที่นี่ปั๊บมาเลยเป็นเอกพิสีชั้นหนึ่งนะเพราะนั้นพระโสดาบันก็มีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามว่าสติใครจะไวเป็นโสดาบันชั้นสามนะเพิ่มมาชั้นสองชั้นหนึ่งก่อนจะขึ้นไปเป็นสกิรายใช่ต้องต้องชํานาญตรงนั้นก่อนแต่ต้องบอกว่าพระโสดาบันชั้นหนึ่งกับพระอนาคามีเนี่ยใกล้เคียงกันมากแต่พระนี้พระอนาคามีเพียงแต่ว่าพอกลับมาปั๊บเนี่ยจิตท่านไม่ไปอีก แต่พระโสดาบันมันยังจะไปอีกถึงจะมาไว้ก็ตามแต่ยังจะไปอีกพระธรรมนีไม่หลงแล้วใช่หรืออ๋อใช่ไม่หลงแล้วแต่ว่าจิตยังออกอยู่อ่าจิตยังออกอยู่เพียงแต่ออกไปชั้นหนึ่งแล้วมันมันไม่กลับไปอีกนั่นเองแต่พระโสดาบันัะกลับไปอีกแล้วก็พยายามกลับมาอีกอย่างเงี้เพราะฉะนั้นวัดกันคุณที่คุณภาพผอมสติสัมปชัญญะปัญญาว่าจิตใครกลับไวกว่าจนพระราหานี่มันไม่ไปเลยนะฮะเหมือนแกเหมือนแกอะไรอ่ะมันก็เป็นอ่า ชุ่มกับตัวอะไรไฟตุ๋มันไม่ไม่ไหมเลยอพอไฟตุ๋มมันมัก ด, ดับเลยว่งั้นเถอะถ้าเป็นพระโสดาบันก็ไฟตก๋มมันจร้อนร้อนหนอยยังได้สลัดแค่ครั้งสองครั้งว่างังางง้นเถอะเพราะฉะนั้นเราจะทํำไงให้ใหกายให้จิตของเรามันชุ่มโช่ด้วยสติสัมปชัญญะต้องทําได้ขนาดนั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เหลือวิสัยแลย้ยแต่เราขาดอะไร ขัดความพยายามขาดความพยายามต้องพยายามแล้วพยายามอีกร e ้อยครั้งพันหนุหมื่นครั้งแสนหนทําว่าเ่อชีวิตนี้มันต้องมันต้องสมบูรณ์นั้นนั้นศาสนาของพระเจ้าคือศาสนาแห่งความพยายามนะไม่ใช่ศาสนาของพระเจ้าแต่ความพยายามของมนุษย์ธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่พยายามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพยายามอีกขยันว่าแต่จำเพราะว่าตามภาษาบ้านเราขยันทํำขยันทำความเพียรแล้วก็กล้าทำด้วยนะ โอ้ตื่นขึ้นมาตีสียังเช้าอยู่นอนนอนนี่ฉันนอน น, อนีนนนน่ไม่กล้าตื่นนแลออใช่ใช่ต้องกล้าหาเนี่ยนะนั่ไม่เสียดายนั่ไม่เสียดายการหลับนะ่ยนี่เขาเรียกว่าวิริยะนะวิริยะกล้าในการที่จะเผชิญนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันสนุกนะในการปฏิบัติถ้าเราเข้าใจเนีมันสนุกมันทําให้เราแล้วก็ทั้งชีวิตนี่ยมันจะสนุกกับเรื่องเดียวนี่แหละเรื่องอื่นไม่นสนุกละถ้าเราไม่สนุกเรื่องอื่นมันจะจืดได้หมดเลย ถ้ามันสนุกกับเรื่องนี้เพราะอะไรสนุกกับเรื่องอื่นมันสุขทุกสุขทุกสลับกันไปใช่ไหมไม่ใช่สุขทุกที่ท้าวอนด้วยแต่ถ้าทําเรื่องนี้มันเห็นแต่สุขมันเห็นแต่สบายมันเห็นแต่เห็นทุกก็ทุกทําอะไรเราไม่ได้ใครจะไม่ทําใช่ไหมแต่ที่เรายังไม่ทำเพราะเรายังไม่แน่ใจนั่นเองเรายังไม่มั่นใจน้วนนะเพราะฉะนั้นเองมาว่าเป็นญาติโยมจะทําได้ดีกว่าพระเพราะอะไรเพราะญาติโยมเนี่ยมีเรื่องราวเป็นของจริงท่านเลยเข้ามาในชีวิต แต่พระยังมีเหตุการณ์จำลองยอยู่เยอะใช่ไหมเหตุการณ์จำลองเพราะพระครัะนี้บรรลุบรรลุธรรมยากกว่าโยมนะเพราะอะไรเพราะสบายว่าไม่เช่าเข้าไม่ซื้อถึงเวลาเขามาให้ยินเนี่ยพระก็เป็นเลยเป็นเทวดาพอถึงเวลตาลตนาลุตรนรกตุนรกทันทีเลยเทวดานั้นนะแต่เทลาวะก็ไม่มีเวลานะใช่นั่นแหละของจริงเลยชาวเแล้วว่าต้องประกาศตินทิฏิลลุนเทลว่าได้เห็นทุกเยอะไงเอามาจะยกตัวอย่างให้ฟังเรืร่องนี้เคยเล่าแล้วนะ ว่ามีพระองค์หนึง่งเนี่ยไปฟังไปคือเป็นลึกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่บรรลุธรรมไยเป็นพระปุถุชนอยู่นี่ก็ไปบิณฑบาตทุกวันทุวันที่โยมคนหนึ่งใส่บาตรดีดีทีนี้ตัวเองยังไม่มีคุณธรรมอะไรก็นึกถึงเอ๊ะจะตอบแทนบุญคุณโยมนี้ได้ยังไงใช่ไหมก็วันหนึ่งเลยออกออกปากชวนโยมนั้นมาฟังธรรมะพระพุทธเจ้าเดี๋ยวก็มาโยมผู้หญิงเนะ ก็มามาฟังธรรมในวันนั้นพุทธองค์ก็แสดงเรื่องสติปัฏฐานสี่นี่แหละหลังจากแสดงเรื่องนี้ได้ละเอียดมากพระองค์นี้ก็ไม่เคยได้ยินละเอียดขนาดนี้เลยนะก็เกิดแรงบันดาลใจโอ้เราไม่เคยฟังธรรมละเอียดลึกซึ้งขนาดนี้วันนี้พุทธญาแสดงเป็นพิเศษเลยเราจะต้องทําอย่างจริงจังนะต่อไปนีที่แล้วมาเราเล่นมากไปก็เลยแบโกรดแบกบาตเข้าป่าเลยลาพุทธญาตเข้าป่าไปโยมคนนั้นก็เข้าใจเรื่องสติปัฏฐานสี่ เนค่ อ, องนี้ก็ไปตั้งพระปฏิบัติอานาปาในปา่าแต่เอาโดยความตั้งใจเกินไปนี่เองเนี่ยมันก็เกิดจิตมันก็เกิดรวมเร็วเกิดเป็นริดเป็นฌานเป็นปฏิหารขึ้นมาให้เห็นเลยท่านก็ทำเงนินถึงสามปีโยมอยู่ที่บ้านก็หลังจากที่ฟังธรรมบุรุษเจ้าโอ๋อ oh, ธรรมะของพระเจ้าที่ปฏิบัติได้ทุกหนทุกแห่งก็เลยจาบสติตั้งแต่บัดนั้นไปจนมาจะตักน้ําต้มข้าว ทำอารรหารสัพพะจารย์แต่โดยสติอย่างเดียวไม่ค่อยขึ้นเลยนะสามปีตากฏว่าวันหนึ่งพระองค์นี้มีเหตุที่จะออกจากป่าเพราะท่านมั่นใจว่าฤทธิ์ของท่านที่ที่ทำมาแล้วธรรมะของท่านเนี่ยท่านเข้าใจว่าบรรลุหมดแล้วมั่นใจที่มั่นใจมากๆ ก, กว่าอะไรเพราะว่าวันหนึ่งท่านไปนั่งใต้ต้นไม้นั่งบนโขดหินที่ ไอ้ต้นมต้ตนนั้นเป็นต้นใสใช่ไหมนกมันก็มากินไม่ใสไงไี้แจ๊คแจ๊ตกมาปรากฏไม่ใส่มันตกใสหัวท่านท่านแล้วก็แหงนหน้าดูนกนกตัวนั้นตกลงมากราวเลยเพราะอะไรลุกเป็นไฟเลยจิต อ, อิทธิฤทธิแรงขนาดนั้นอ่ะพอมองว่านกโอ้ที่ของเราแรงขนาดนี้โอเคอันนี้เราจะไปเยี่ยมโยมเรานแล้วลกลับจากนั้นแบกโกรธแบกบาต ก, กลับมาเลากลับมาถึงวัดแล้วก็อาแต่เช้าเตรียมตัวในเช้าไปมีนบาตร ทีนี้พอโยมเดี๋ยวเห็นแต่ไกลเอาผ้าลูกนั้นกำพันแล้วนี่ก็เตรียมข้าวเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าโยมมีทิกอยู่ในใจว่าโยมพระองค์นี้อยากไปสามปีเนี่ยท่านมีอะไรก้าวหน้ากว่าเดิมไหมก็ไปเตรียมอหารเรียรแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทางานเรื่องอื่นไปนีพระองค์นี้ก็มายืนตามบุติพระองค์นี้มายืนปั๊บเนี่ยเมื่อก่อนในโยมจริงกุลิกุจอม่ใสีบานเลยใช่ไหมก็ถามข่าวพระคุณเจ้าเป็นไงถามคุยกันปกติแต่วันนี้ผิด มันยืนทั้งสิบนาทีแล้วแต่โยมคนนั้นไม่ออกมาเฉยเลยทีนี้ไอ้จะจะจ ะ, จะกลับขึ้นไปก็ดูกระไรอยู่ยังก็เดินทนในขณะที่ยืนรอเนี่ยจิตมันก็งิดยึดจินในใจแลยใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมมันยิดในใจก็พูดในใจอ่ะค่อยๆเป็นการด่าคอมเพลนอะไรไปเรื่อยๆเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้โยมคนนั้นเลยก็คอมเพลนไปเรื่อยๆพอโยมเห็นว่าได้เวลาพักก็เอาเข้าออกมาใช่บาต อาสาบาดเสร็จแล้วก็ถามไม่น้าพูนเจ้าเป็นไงพาะอวนน้ก็กรเดินนั่ น, นแน่นอยู่ในใจแล้วพูดไม่ออก น, ะน่าเครียดเลยโยมก็เลยบอกโอ้พระเสด็จนะท่านท่านมายืนอยู่ที่สิบนาทีเนะี่ยท่านด่าโยมเยอะเลยนะโยมนั่นก็บรรยายออกมาเลยนะตามที่ท่า น, นคิดท่านคิดอะไรบรรยายออกมาหมดเลยนะ <c oughs> พระานั้นตกใจเลยเโยมรู้ได้ไงเอาไม่รู้ได้ไ ง, ไไงท่านเพราะว่า เราไปฟังธรรมะของพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมวันนั้นนะ่ะไปฟังธรรมะเรืยกันแล้วจากวันนั้นมาโยมไม่จักสติตลอดเลยจนกระทั่งบัดนี้สามปียมไม่สติไม่พลาดปรากฏว่าโยมคนนี้บรรลุธรรมเป็นพระพร ะ, พระอนาคามีสามารถรู้ใจคนอื่นได้แต่พระองค์นี้ยังเป็นปุถุชนอยู่ถึงมีฤทธิ์แต่ว่าปุถุชนก็มีฤทธิ์ได้เขาเรียกเป็นโลกิยะชาน โลคิยะชานนี่ก็ได้ได้ฤทธิ์ได้เดชแล้วไม่จําเป็นจะต้องเป็นอริยะชานเห็นไหมความเข้าใจกันผิดนิดเดียวอ่ะไปคนละเรื่องเลยนะพระก็ไปติดฤทธิ์ติดเดชติดชานติดสมาธิยังเป็นโลคิยะชานอยู่แต่โยมตั้งใจเอาสติอย่างเดียวไม่ไปยุ่งกับเรื่องสงบหรือไม่สงบรู้มันอย่างเดียวรู้รู้รู้รเข้าไปจะสามารถจิตเปลี่ยนแปลงเป็นพระอนาคามีอันนี้คือความต่างว่า ว่าความคือคนที่สุขแล้วอยากจะได้สุขยิ่งขึ้นไปใช่ไหมได้ดีได้ยิ่งขึ้นไปแต่โยมอยู่บ้านอโยมทุกใช่ไหมจเจอแต่ทุกกับทุกก็กําหนดรู้ทุกไปเรื่อยๆรู้ทุกแต่จิตไปรู้ทุกเป็นอยู่ปัจจุบันมากขึ้นจิตก็ไปได้ไวกว่านั่นนหละมาถึงบ่าโยมอยู่บ้านสามารถทจะเข้าถึงทําได้ได้ไหวถ้าเปลี่ยนทุกนั้นให้เป็นนิมิตกรรมฐานแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปลี่ยนไ ห, นไหม <c oughs> เปลี่ยนไปกับมัน <laughs> เพราะนั้นขับไปนี้ต้องไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนตัวทุกทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าความคิดหรือไม่คิดสบายไม่สบายเปลี่ยนให้เป็นนี่ไม่กรรมฐานให้หมดแล้วจิตจะไปสู่อริยภูมิได้ไวเพราะเจอในเรื่องของจริงเท่านั้นใช่ไหมโยมที่บ้านนะเจอเรื่องจริงเท่านั้นเลยแต่พระอยู่ที่วัดมีแต่เรื่ อ, ปองปลอมๆเท่านั้นสู่ปลอมๆทุกปลอมๆแต่ถ้าพระที่วัดเข้าใจถูกจะไปไวกว่าโยมแล้วไปได้ไกลกว่าโยมด้วยถ้าเข้าใจถูกนะเหมือนกับโยมนะ เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่พอท่านได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเข้ามาบทป้าไม่นานท่านก็เป็นพระอรหันต์ในสมัยครังพุทธกาลนะใช่ไหมเพราะถ้าจับสมาธิถี่ได้ถูกเพราะฉะนั้นเองพระมีทั้งได้เปรียบได้เสียเปรียบได้เปรียบตรงที่เข้าใจถูกแล้วปฏิบัติต่อเนื่องบรรลุธรรได้ไวเสียเปรียบคือว่าเข้าใจไม่ถูกปฏิบัติไม่ต่อเนื่องก็จิตก็ยังไปสู่ภูมิของปุถุชนอยู่เพราะไปติดในความเวทนาสุขเวทนาทั้งหลายเพราะเวทนาสุขเวทนา เป็นทั้งประตูสวรรค์เป็นทั้งประตูนรกและเป็นทั้งประตูนิพพานในเวทนาเนี่ยนะแต่ ถ, ถ้าเรากําหนดรู้ถูกปั๊บเนี่ยเป็นประตูพระนิพพานทันทีแต่ถ้ากําหนดรู้ไม่ถูกเป็นทั้งประตูสวรรค์ประตูนรกกำหนดรู้ไม่ถูกสําคัญว่าเป็นสุขเวทนาเป็นสวรรค์กาหนดไม่ถูกสําคัญว่าเป็นทุกขเวทนาเป็นนรกนะเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นได้ทั้งสามประตูในที่เดียวกันเพราะนั้นก็เกิดในตาหูจมูลกลิ้นกายใจนี่แหละ ในว่าชอบทางตาตาเห็นแล้วชอบเป็นสวรรค์ตาเห็นแล้วไม่ชอบเอาเป็นนรกตาเห็นแล้วเฉยๆมีสติกำหนดรู้เป็นนิพพานใช่ไหมหูได้ยินชอบเสียงนั้นเอาเป็นสวรรค์ฟังอุ้ไม่เข้าท่าเลยเป็นนรกโอฟังเฉยๆเสียงเฉยๆเสียงไม่ใช่ใส่บุคคลโดนๆของเขาเป็นนิพพานในอายตนะทั้งหกเป็นประตูทั้งสามอย่างได้เลยนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องของ เวทนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมากจึงไม่อยากจะให้พลาดในเรื่องนี้ว่าเวทนาที่ปรากฏในกายในใจเราเข้าไปเสวยหรือว่าเราเข้าไปสลักอ่าตรงนี้ดีถ้าเราเข้าไปสลักมันก็จะเป็นนิมิตของกรรมฐานถ้าเราเข้าไปเสวยมันก็จะเป็นนิมิตของกิเลสในทันทีเหมือนกันเพราะนั้นท่านบอกเวทนาคือการเสวยอารมณ์แต่เราอย่าเข้าไปเสวยแล้ว เ, เข้าไปสลัก สลัดเวทนาให้ดูออกอันนี้คือเวทนาไม่ใช่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกเวทนาสบายอ๋ออันนี้คือสตาวเวทนาแต่ส่วนใหญ่พอรู้สึกกินแล้วอร่อยกินให้เยอะอีกใช่ไหมมันสุขเวทนากินยิ่งเยอะๆถ้ากินไม่อร่อยไม่ก็ท่าเลยอาหารวันนี้ใครปรุงวะไปเลยเป็นนรกไป น, <laughs> นี่กเข้าไปสเสวยนะทุกขเวทนาอร่อยนี่ก็เป็นสุขเวทนาไม่อร่อยเป็นทุกขเวทนาแทนที่อร่อยไม่อร่อยก็เฉย เพราะนั้นอาหารแทบไม่จำเป็ปรุงกินอาหารรสจืดได้เลยที่นี้เมื่อก่อนต้องรดจักใช่ไหมต้องปรุงให้มันถูกลิ้นถูกปากเพราะเราไปติดสุขเวทนาแต่หลังจากเจริญสติไปแล้วโอ้เรากินอาหารรสจืดกันเถอะเป็นผลดีต่อร่างกายด้วยแล้วก็ลดกิเลสได้ด้วยก็เริ่มมากินอาหารรสจืดกันเนาะ ได้ได้สู่ได้ท้สู่ทั้การทั้งใจด้วยนะอะแล้วก็อาหารก็ไม่ต้องปรุงอะไรให้มันเลิศเลอเลิศเลอแรักษาธรรมชาติให้มากที่สุดบางวันออกมาก็มานั่งเคี่ยวกินผักเล่นๆดูก็สบายอิ่มสบายะแล้วก็ไม่ต้องเมื่อก่อนไม่ได้นะต้องปรุงนะต้องใส่นั้นปลาต้องใส่พริกเท่านั้นเรื่องใส่เกลือเท่านี้ต้องใส่อะไรเท่านี้ปรุงให้มันถูกลิ้นแหะแต่หารู้ไม่ว่านั้นก็เป็น สุขเวทนาเป็นราคะเป็นโลภะไปเลยเป็นกิเลสไปเลยเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าทุกวันนี้อะไรขึ้นโตะก็ฉันได้เท่านั้นนะ่ะบอกว่าเวลาปรุงอาหารใพ้พระเราไม่ต้องไปทําอะไรมากนะอะไรขึ้นโตก็มีผลไม้ก็ฉันผลมไม้ไว้ก่อนมีขนมก็ฉันขนมไว้ก่อนเราฉันเพื่อให้มันเป็นอ่าบรรเทาความหิวเท่านั้นนะนะเราไม่ใช่ว่าจะต้องไปแต่ไม่ได้ในสังคมทั่วไปที่เขาติด กิเลสเป็นหลักนี่เขาก็จะต้องแข่งขันในเรื่องนี้แหละเรื่องที่จะปรุงเวทนาให้มันเป็นที่พึ่งนี่แหละคนมันจึงทุกข์กันไงในโลกนี้แล้วเราก็ไปแก้เขาอยา่างนั้นมันติดอะเป็นเสพติดใช่ไหมเสพติดในรถเสพติดในรูปในกลิ่นในเสียงในรถเป็น addiction ไปแล้วก็ทำให้นรกก็เกิดขึ้นบนดินได้โดยง่ายเพราะเวทนานั่นเอง เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแก้ไขกายใจของเรานี้ให้เป็นกลางได้ได้วยการไปจัดการเรื่องเวทนานะคืออย่าไปติดในเรื่องสุขเวทนาทุกอยาอย่าไปติดรสอร่อยอย่าไปติดความสนุกสนานในภาพสวยๆอย่าไปติดสนุกสนานในกลิ่นหอมๆ อ, อย่าไปติดสนุกสนาในสัมผัสนุ่มนิ่มอย่าไปติดสถานสุกสนานในอารมณ์ที่ถูกใจถ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหยือ่อสามีสังเวทนังที่เราสชวนเอาเงี้ที่ เวทนาที่เกิดต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจในทางที่เราชอบนี่เขาเรียกว่าเวทนาแบบมีเยือ่อนะสามีสังแต่ถ้าหาว่าในเวทนาที่ทำให้เราไม่ชอบหรือว่าเป็นนิลามิสังคือไม่มีเยือ่อนะทำให้เราขัดใจดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่พระพุทธเจ้าแสดงกันนี้ปั๊บนีนะ่สามารถคนบรรลุทําได้ถึงสองคน แต่เช้านี้มัน็รรู้สักคนไหมเนี่ย <c oughs> เพราะ ย, ยามที่จะบรรลุ <c oughs> อ, อยางที่จะศึกษาต่อไปกันนะโอเคตอนเช้านี้เราก็พูดถึงเรื่องเวทนาก็สมควรแก่เวลานะก็ขออนุโมทนาสาธุในะความตั้งใจที่จะนำไปไ ป, ปฏิบัติเนพะื่อให้เกิดเป็นพระปัจจัยไปสู่มรกผลนิพพาน้วยการทุกคนรูท้ทานเดืน อืมแล้วไปก่อน